Book 2ห้าลิมาประเทศและภาษา n นาก a าร n e นาก r าร a n b a h า s าจอนมาจากลอนดอนจอ h n b บ r ร s a l ส a ลดาร n ลอนดอน London อยู่ในประเทศอังกฤษ London terletak di Inggris เขาพูดภาษาอังกฤษ Dia b e r b a c a r a bahasa Inggris Maria มาจาก Madrid Maria berasal dari Madrid ม a ดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริด terletak di Spanyol เธอพูดภาษาสเปน Dia berbicara bahasa Spanyol เปนเธอพูดภาษาสเาจาก Berlin p e t e า dan เ a r t h อ berasal d a r น b e r พ i n เอ เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Berlin, Berlin terletak di Jerman คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Apakah kalian berdua berbicara bahasa Jerman? London เป็นเมืองหลวง London adalah sebuah ibu kota มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมาดริดและเบลินยังเป็นเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังมืองหลวงใหญ่และเสียงดังต b u เมื a งหลวงใหญ่และเสีย a ดัตะเยดังเม่ะเสียงดััเม่สงเมอสยัอ่ยงใ่ะเังวเอใียว่ียใยวเมสย ตั้งตั้งตั้งยั้ปตั้งตั้งต ป, ป, ป, ป, ป้งตาาั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งต่้งตั้งตั้งตั้งตั้งีั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตท้งตั้งตั้งตันงต แคนาดา terletak di Amerika Utara ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปา a ง a ั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้ต้งตั้ง l terletak di งตั้งต a Selatan